50 languages. จรัญจาซื้อของผู้ซื้อฉันต้องการซื้อของขวัญ म ैं์อ แต่เอาที่ไม่แพงมากปริจย่าดาคิมตีนัยอาจจะเป็นกระเป๋าถือแชดอีกแฮนด์แบกคุณอยากได้สีอะไรทุฮานุเครดะรังจ้าฮิดะเฮสีดำสีน้ำตาลหรือสีขาวกาลาปูระจ้าสเฟ ใบใหญ่หรือใบเล็กชตาจังวัตาขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะที่แม้ฉันจ द ेู स ด द ाักด้านที่แม้ฉันจะดูได้ัใบนี้ทำจากหนังใช่ไหมคะที่อะเอะจำเรนนอล์ลเนยาหรือว่าทำจากพลาสติก ज ้าเอ किसे ब न ा व ्นนาวตี न ัตถุนอลบัญญัจากหนังแน่นอนค่ะเบลกอล ल ั้มรाนอลบ न ญญัติใบนี้คุณภาพดีมากค่ะเอा क ์ค่า द ाวเดียคิสมดะและกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆนะคะ अ त ेธ हैं ห์แฮนด์แบ็กซัชมัจ ดิฉันชอบค่ะเอะฮ์เมนูพิซาดิฉันเอาค่ะ म มंนะซื้อขนมมाให้แม่จะซื้อขนมดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะถ้าต้องการที่แม द ल सकदा ี่ยนได้ไหมคะถ้าต้อได้แน่นอนค่ะแน่นอนค่ะ เราจะห่อของขวัญให้คุณอาซีสุโตเฟวังบนาดวังเกที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะปุกตาอันเคนเตอร์คิดเหตุให